เตรียมตัวธรรมดินพร้อมแล้วกรากรากราบราบารหังสมมาสมบุทิอมภะคะวาพราผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหัน ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิมแร่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทังผัขวันตั้งอภิวาทเทมิข้าบระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครา วางข้าต้นผาคาวันตาทัมนพระธัมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราสไว้ดีแล้วธัมมังนัมสัมมิข้าบัจเจ้านัมสการพระธรรมครา สุปฏิปโนตอมภาควรรตนสาวกสังโ์ขพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังน้ำามีข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์อ่ะเปิดหนังสือไปหน้าห้าห้าต่อจากเมื่อวานนี้ ธรรมายังปภคิตะอภิานาปัจจเวคณาปาทังพนามะเซมทาสาอิเมพิกเวธรรมาปภาพิเิตเณอภินังปัจจเวขิตาพังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทามสิประการเหล่านี้มีอยู่เป็นธรรมทีบ่บรรพจิตควรพิจารณาให้แจ่มชัดอยู่เหนืองนี้ กาตาเมธาสามทำสิประการเหล่านี้เป็นชนายเรวันนิยามีอจุ ป, ป ะ, ะโคตติปะภาชิเตนะอพินังปัจเจกิตาพังบันภาชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีเพศต่างจากข้าหัดแล้วอาการกิริยาดใดใดของสมณนะ เราต้องทำมาการกิริยานั้นๆปาราปฏิพัฒนาเมชีวิกาติปปัาจิเตนะวิทังปัจเจเวกิตาภังบันปัจิตควรพิจารณาเนืองเนืงว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องโดยผู้อื่นเราทำอำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ยันโยเมอากโปการณนิโยติปปัจจิตเตนะอภินังปะเจวกิตภังบันปัจิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ กาจีนุโคเมอาตาสิระโตนาอุปวะตติติติปปาชิเตนาพินนังปัจเจเวกิตาภังบันทัดจีดวรพิจารณาเนืองเน่องว่าเราเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ กาจิโนโคมังอนโนวิจาวิโยสะพรมจารีศิรโตนาอุปวัตันติติปปะชิเตนาพินหังปัจเวคิตะพัง บรนพชิตควรพิจารณาเนืองเนึ่งว่าเมื่อกล่าวโดยสินแล้วเพื่อนสาพรหมจารีที่เป็นมิญยูชนไม่ควรแล้วตีเตียนเราโดยสินได้หรือไม่ สาเบหิเมปิเยหิมนาเบหินานาภาโววินาภาโวปะปะจิตเตนะพินังปัจจเวกิตาภังบรรพจิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเราจากพระพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น กรรมสะโกมีกรรมทยโทกรรมโยนีกรรมปันโทกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกฤษามีกัรลียนางว่าปาะกัรว่าตาสาทายาทโวพิษามีติบาปัญชิเตนาพินังปัจเจกขิตพภัง วันพระชิตควรพิจารณาเนียงเนียงว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นที่กําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยเราทํากรรมมันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น การพำผู้ตาสมามีรตินทิวาวิติปตันติติปปัจชิเตนาพินังปัจเจกิตภพังบันพาชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ การจีนุโกหังสัญญาคารอาภิรามามิติปพะชิตเตนาอาภินังคปัจเจเวคิตาภังบันพะชิตควรพิจารณาเน่องเนงว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ อาธิโนขอเมอุตตาริมนุสธรรมะอารามริยญาณทัสสนวิเศษโสอาธิคันโสหังปัจจิเมกาเลสสะพรมะจารีหิุทธนามังคุปภิสัมมิติปปัจิเตนะอภินังปัจเวกิตพภัง บรรพจิตควรพิจารณาเนื่องเนื่องว่าญาทัศสนาอันวิเศษควรแก่พระอริยเจ้ารันเป็นธรรมมันยิงที่เราได้ถึงแล้วมีอยู่หรือไม่ เราจะไม่เป็นผู้กเกื้อเกือนเมื่อถูพื่นสะพระมจารีด้วยกันทมในการภายลังอิเมโคพิกเวตาสะธรร ม, มาปะปชิเตนะปินังปัจเวกิตาพาม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสิประการเหล่านี้นี่แลอันบันพระชิตควรพิจารณาให้แจ่มชัดอยู่เ ด, ดืองนี้ยีตีด้วยอาการอย่างนี้แลต่อไปเป็นสามนิรสิกขาอนุญญาสิคโคภความพระภูมีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้ แ, แล้วแล สามเณรานังทัสสิกขาปะธานีมซึ่งสิกขาบทสิบอาการแก่สามเณรทั้งหลายเตสุชาสามเณเรหีสิกิตุละเพื่อให้สามเณรศึกษาในสิกขาบทเรานี้คือ ปานาติปาตาเวรมะนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาินาธานาเวรมะนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว ข้พระ ม, มาจจริยาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจากการกะระทำอันมิใช่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจากการพูดไม่จริงสุราเมรายามจาจับปมาตธฐานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจากการเสพของเมามีสุรา และไม่ไรเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งของความประมาณ วิการโภชนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในาเวลาวิกาลนัจจคิทธาวาทิทาวิสุขทัศนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำการขาับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดที่เป็นขา้าศึกต่อกุศล มาราคันธาวิเลปนาธาระมาวันนาวิภูสนาธานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการสรงสวมใสการประดาการตกแต่งตนโดยพวงมาลาโดยเครื่องกินและเครื่องผัดทาน อุจจารยนามหาสยนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ชาตารูปาราชตาปฏิคานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรับเงินและทอง อนุ ญ, ญาตสิโคพรคพระผูะ้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแหละ ทัศหิังเคหิสมันนะสมม น, นาคตังสมัมเนรังนาเสตุงเพื่ออ<ร>ย่างสมนเนินผู้ประกอบด้วยองค์สิบเหล่านี้ให้ชิบหายเสียกาตาเมหิทัสหิสหองค์สิบคืออะไรบ้างปานาติปาติโหติ จมเนนเป็นผู้ชอบข้าอาทินาทายโหตีเป็นผู้ชอบถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วอปรรมจารีโหตีเป็นผู้ชอบกระทาในสิ่งอันมิใช่พรหมจรรย์มูสาวาทิโหตีเป็นผู้ชอบพูดคำไม่จริง มัจจพายโหตี oti, เป็นผู้ชอบเสพของเมามีสุราและมีไรเป็นตนกันเป็นที่ตั้งของความประมาทพุทาสาวันนังพาสตีเป็นผู้ชอบกล่าวที่เตียนพระพุทธเจ้าธรรมาสาวันนังพาสตี เป็นผู้ชอบกล่าวติ่เตียนพระธรรมสังคสักวันนางพาสตีมเป็นผู้ชอบกล่าวติเตียนพระสงฆ์มิชัดติิโกโหตีมเป็นผู้มีความเป็นดีจากพระธรรมวินัยวิกุณีทุสโกโหตีมเป็นผู้ชอบประตุสไรนางภิกษุนีม กาอนุญญาสิโกภะควาพระภูมิพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแลยิเมหิตาสหิอังเคหิสมมนาคตังสามเนรงนาเสตุนเตม เพื่ อ, อยังสัมเนนผู้ประกอ บ, กอบด้วยองค์สิบเหล่านี้ให้สิบหายเสียดังนี้อนุญญาสิขอ พ, พระคัมิรพระภเก้าทรงอนุญาตไว้แล้วแล ปัญจหิอังเคหิสมณะกัตสาสามเนระสัตดันตกรรมังกาตุงเพื่อทำดันตกรรมคือลงโทษแก่สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์หนี้กัตเมหิปัญจหิมองค์ห้ามีอะไรบ้างปีกุนังอราพายาปริสักกะที คือสามัญเหตเป็นผู้พยายามทำให้ภิกษุเสื่อมจากลาภที่ควรจะได้ภิกขุนังอนานตายาปริสักกติมเป็นผู้พยายามทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายภิกขุนังอานาวาสายาปริสักกติมเป็นผู้พยายามไม่ให้ภิกษุอยู่ได้อย่างสงบ พิคุอโกสติปริภาสติเป็นผู้พยายามด่าว่าร้ภิกษุทั้งหลายพิคุพิคุหีเตเทหีเป็นผู้พยายามพูดอยู่ยงให้ภิกษุแตกสามกีกันอนุญญาสิโกภัควาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแล้ว อัมอิเมหิปัญจหิอังเคหิสัมณกะต า, าสะสัมเนราสะดันดกรรมังกาตุนตีเพื่อทำดันดกรรมแก่สามเนินผู้กระทำความผิดอันประกอบไปด้วยองค์ห้าเหล่านี้ดังนี้ภาคที่ 5, ห้านาทีหกสบ็ 61, ในมูลพิธี โยจักคุมาโมหะมะลาปะกะโทนท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจากสุขจัดมนทินคือโมหะเสียแล้วสามังว่าพุทโธสุขโตวิมุตโตได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำพังพระองค์เอง สเสด็จไปดีพ้นไปแล้วมาระสปาสาวินิโมจะยันตัวปาเปสิแคมังชนะตังวินยัยยำทรงเพื่องชุมชนนันเป็นเวนั ย, นยอยากบ่วงแห่งมนันนำให้ถึงความกเกษมพุทธังวรันตังศิรษ า, านามามี ข้าบาพุทธเจ้าขอถวายนามัสการพระพุทธเจ้าผู้บวอนพระองค์นั้นโลกาสานาทันจาวินายกัญจามู้เป็นนาถะและเป็นผู้นำแห่งโลกตันเตจัสเตช ย, ยสิทธิธโหตูโดยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่าน สาบันตรายาชาวินาเมนตูและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศธรมโมทโชโยวิยตาสัสัตูพระธรรมเจ้าได้เป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้นอาศเสศีโรกัสวิสุทธิมาคังสำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก นิยานิโกธรรมธรสัทเรียเป็นคุณนันนำยุขินคุ้มของชนผู้ทรงธรรมสาตาวงสันติกรรสุขินโนประพฤติแล้วนำความสุขมาทำความสงบ ธรรมังวารันตังสิระส า, ามามิข้าพุธเจ้าขอถวายนมมสกัพราธามันบวร น, นันโมหะปัทาลังอุปสันตธาหังอันทำลายโมหระงับความเร่าร้อน ตันเตจะสเตจายสิทธิโหตุนด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสาพันตรายจาวินาเมนตัและขอ่อนตรายทั้งมวลจงถึงความพินาน ชาตธรรมเสนาสุกตาโนโคโยโพระสงฆ์เจ้าได้เป็นเสนาประกาศพระสัทธรรมดำเนินตามพระศาสดาผู้เสด็จไปดีแล้วโลกัสสะปะปุปกิเล ส, สเจตตาผู้ชนเสียสิ้นอุปกิเลสอันลามกของโลกสันโตเสายังสันตินิโยชโกจาม เป็นผู้สงบเองด้วยประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วยสังฆวรันตังสิระสานมามิฆาปเจ้าโนมาสการพระสงฆเจ้าผู้เบญญนั้นพุทธานุพุทธังสมาสิระทิฏฐิผูตัสสรุตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกัน อันเทสะาเทชยยสิทธิโหตุด้วยเดชพระสงฆ์ขาเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสาบันตรายาจวินาสเมนตัวและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศเดินจบทรวัตรบทพิเศษเพียงเท่านี้ ไปแล้วก็ปฏิบัติปรับความเพียรร่วมกันถึงเวลามันสมควร